ส่วนระเบียบพิธีอะไรต่างๆรูปแบบต่างๆนี่ต้องปรับไปตามสิ่งแวดล้อมจะมาทําอยู่อย่างเดิมตลอดการก็คงไม่ได้อย่างพวกเรารุ่นนี้เราไม่มีป่าจะไปเดินทุ่งเข้าป่าก็ไม่ได้ป่าไม้ไม่แล้เรกลัวมากเลยเห็นปลาเข้าป่านะป่าไม้ใจหายเลยกลัวกลัวพระทำลายป่าแต่ไม่กลัวอิทธิพลทำลายป่างั้นเราอย่าไปหวังภาวนาแบบเก่าๆนะไปเดินอยู่ตามป่าตามเขาอะไรอย่างนี้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 เมืองนึงมีคนเดียวนะไม่ใช่มีเยอะแยะอย่างทุกวันนี้เมืองหนึ่งมีคนเดียวนี่มีนางพณิกาแสนสวยคนหนึ่งตายนางพณิกาคนนี้ค่าตัวแพงมากเลยกี่กระหาปณ ะ, ะนะป๋องฝ่ายวิชาการนึกไม่ออกสมมติว่าแสนกระหาปณะนะคืนละแสนออนะพ อ, อ, อ, อาตายปุ๊บนะพระพุทธเจ้าบอกเอาศพมาแล้วไปเรียกคนทั้งเมืองมาเลย